ออ ก, อก็ <c oughs> งไม่เบื่อหนนะ่อยนะก็จำเป็นที่เราจะต้องศึกษามันเรื่องกายเรื่องใจเรามีกายมีใจ กายมีปัญหาเยอะแยะถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเราศึกษาก็ได้ปัญญาเยอะแยะปัญหาที่เกิดจากกายถ้ารถ้าศึกษาเกิดปัญญาก็เป็นมรรคเป็นผลปัญหาที่เกิดจากกายจากใจ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 ตนปัญหาเกิดจากกายแล็สุกเป็นทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ต้องมีเดี๋ยวนี้ปัญหาเกิดจากใจกวามโกรธความหลงความทุกข์ก็ต้องหมดเดี๋ยวนี้ต้องมีความไม่โกรธไม่โลภไว้หลงไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้เพื่อจะได้ใช้ให้เกิดความสะดวก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 อกคุศลคืออะไรคือความหลงค ว, ความโกรธความโลภความทุกข์ความปัญหาต่างๆเป็นอกคุศลมีไหมวันหนึ่งเราหลงมีไหมเราทุกมีไหมเราวิตกกังวล ม, ม, มีไหมมันเกิดแล้วจึงจึงรู้มันก็ กบางทีก็แช่ได้บางทีก็แช่ไม่ได้เหมือนโรคไผยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีก็รักษาได้โรควางอย่างรักษาได้โรควังอย่างรักษาไม่ได้การเกิดโรคเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจผิดมันก็เลยเกิดโรคก็แช่ได้กวรจะแค่ก็เป็นภาระนี่วัตถุปัจจัยต่างๆมากมาย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 แล้วเห็นความคิดเห็นธรรมขึ้นมาธรามอารมขึ้นมาเอามาศึกษาแบบนี้ศึกษาแบบนี้เรียกว่าเียว่าความเพียรมีทั้งลกความชั่วมีทั้งทำความดีมีทั้งทําจิตใจให้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันมีสติแล้ว ก, ก็ละความชั่ว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 ขยันเรียกว่าความเพียรขยันลูกไม่ใช่ไม่ใช่ขยันเรียกว่าภาวนาขยันลูกเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ใช่พุทโธพุทโธสัมมาหลังสัมหหังภาวนาขยันลูกเอาอะไรมาเป็นพังวาที่ลูกโอากายเป็นอุปกรณ์ เอาลมหายใจก็ได้ตัวไหนที่เป็นกายเป็นโลกกายก็เป็นรูกเออลมหายใจก็เป็นโลกการเคลื่อนไหวมือก็เป็นรูกเดินก็เป็นโลกกินน้ำลายก็เป็นโลกคิดก็เป็นโูกสั้งผัดได้เอามาเป็นอุปกรณ์การศึกษา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 เห็นอะไรก็ศึกษาทลุ ย, ย่อยอยาให้เป็ น, นรูปนึ่งก้อนอยาให้หลงเป็นหลงอยาให้โกรธเป็นโกรธอยให้ทุกเป็นทุกในความโกรธมันก็ไม่เที่ยงเป็นธรรมในความทุกมันก็ไม่เที่ยงย่อยออกมาจนมันไม่มีเชีงดใดไม่เที่ยงสิงนั้นเป็นทุก คือได้เป็นทุกข์เชนั่นไม่ใช่ตัวตนจึงได้ไม่ช่ยตัวตนจึงนั่นไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทิ้ไม่เอาง่ายง่ายแต่ถ้าเราไม่หัดไม่ง่ายยึดว่าเป็นตัวเป็นตนกูกูโกรธกูพอใจกูไม่พอใจ ทำตามความโกรธทำตามความพอใจทำตามก็ไม่พอใจบางทีมันกูได้โกรธตายก็ไม่ลืมทําไม่เป็ีนเลยให้ความโกรธรอบงําชีวิตใจเราตัดทิงใจทําตามความโกรธเหตุผลเต็มไปหมดเลยเมื่อโกรธมีเหตุไ ม, ม่ผลเหมือนกัน ตามตามเหตุตามผลฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายทำ้ายอะไรก็ได้เหตุผ ล, เ ห, ผลเหตุผลแบบนั้นไม่ใช่สัจธรรมในหลักอริยัจสเหตุผลนันเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ทุ ก, ทกเป็นเหตุเปลี่ยนทุกเป็นไ่ทุกเป็นผลนี่มันจึงเป็นเหตุผล ทุกเป็นธรรมไหมเพาไม่ทุกเป็นธรรมไหมเหตุผลเราะทุกถูกต้องไหมเพาไม่ทุกถูกต้องไหมนี่เหตุผลถามแล้วน <ember> <ts> <i> ี่เราก็ตอบได้ผมโกรธดีไหมไม่ดีไม่ผมไม่โกรธดีไหมดีอันนี้เหตุผลตอบได้เฉยๆไม่ใช่ต้องทำเป็นต้องทําเป็น เกิดเป็นไม่ใช่จำต้องประกอบประกอบยังไงคือวิชากรรมฐานเนี่ยเจอทันทีหนึ่งแล้วลูลูเป็นระดับหนึ่งสองจะมีหลงเมื่อมีหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู่ทาเป็นแล้วเนี่ยลู่อยู่เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าของเสมือนว่ากายใจ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 จุดหมายปลายทางคือภาวะไม่เป็นอะไรเหนือโลกเป็นชีวิตอิสระมิตรภาพมาชถฐานต่้ไปถูกเป็นทุ ก, ทกเป็นผิดเป็นถูกอยู่ไม่มาชถฐานโรดร่มคกคานไม่ได้ตั้งอยู่นานตั้งมั่นไม่ได้มันไม่เป็นเชนานชีวิตเรา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 เก้าแรกเปลี่ยนหล ง, งเป็นลูกเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นเก้าแรกบอนที่จะมีเปลี่ยนได้ต้องมีภาวะมีภาวะที่รู้สึกตัวผมรู้สึกตัวเป็นคนแก่เป็นเป็นการไขค่คนแก่แค่โซ่หง ล, งลุดได้ก็หลงรู้สึกตัวนัลวและ ก็มาลู่สึกตัวครื่งหลงก็จืดไปเหมือนกับเตียนเหมือนทุกลู่สึกตัวก็มาเวลานี้ไม่ใช่เรามาทุกเรามาลู่สึกตัวกรรมที่ตั้งเอาไว้ก็มาลู่สึกตัวไม่ได้แค่เลยสบายสบายเหมือนกับพลังเครื่องทุ่นแหล่เหมือนเขาขับรถแป็คโฮ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 มันเป็นงานชอบที่สุดเป็นการทำมันชอบที่สุดนะเนี่ยเรามาพิชุดพิชุดดูเจยมขนหัวลุกนะเห็นค น, คนทุกขเนโกรธขนหัวลุก <คน S 1> เลาเคยเบื่เพื่อนเรื่องนั้นมาบมดนี้เร า, มาเมืกอกล่าวสากแต่ก่อนเราเป็นเด็ก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 มีความรู้ตัวเนื่อง1วันไปไหมมีความรู้สักตัวตัวเนื่องเกตวัน ไ, <ป> ไ, ไปไหมเคยไปโชว์เรื่องนี้ถ้าใช่ใช่ไห ม, ชไหมชโชว์จะว่าอะไรเปเพราะเขาครอบความหล่อประโยชน์ ว, วัดตั้งมหาวิเลย์วัดตั้ง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 ทำไหม่นัก็วางเอาลูกเอาแวใช่ไหมเอาแฝงเอาแฝเอาแฝงเอาแฝงทำทำอยู่สองสามรอบคืนไปลูกเรื่องนี้ไหมนูหนูนู หนึ่งวันเคย ร, รู้เรื่องนี้ไหมโน่เ <No. S 1> ช้าโมงหนึ่งเคย ร, รู้โน <No. S 1> <No. S 2> ชิบนาทีเคย ร, รู้อย่างนี้โน <No. S 2> อา้าวคนไปรู้อะไรคไปรู้ประจันมาแล้วทำไมคุณมารู้เรื่องนี้ <No. S 1> คนเอเชียเขารู้เรื่องนี้นะ <No. S 1> นี่คนเอเชียนะ <No. S 1> ประเทศไทยช <No. S 1> าติดาทั้งหลายเิดอยู่เอเชีย no. ไม่เคยเกิดอยู่รุหลบอเมริกานะคนเอเชียเขาลูบเองฟัทงทำถ้าดูใครก็ฟังงงงห้าคนแล้วก็พูดไปเลยโชว์เรื่องนี้ขึ้นมาหนึ่งวันคนเคยรู้ไหมพิสูจน์ไหมเราลู้เรื่องนี้เราสอนอย่างนี้คนนั่งอยูน่นี่เขาทำอย่างนี้ เรามาสอนเลาเนี่ยเรารู้เรื่องนี้ถามเขาก็ไม่รู้เลยคุณจะพิสูจน์ไหมเขาถามว่าคุณจะอยู่นี่กี่วันล้วจะอยู่นี่ห้าวันอย่างนี้ไปไหนนะพรุงนี่เราจะมาใหม่อย่างนี้ไปไหนนะไม่หนีไปไหนเขาขอจบมอ แท็กงานเท็กงานไม่เราโน้ ม, มไม่จบจบเมื่อทําำมเขาบอกว่าเขาได้ครบบุคคลที่เขาคิดอยากจะพบเมื่อคนพบแล้วคนจะทําไรเราจะมาหาคนผู้หนึ่งจะพาพ่อมาเขาก็เอาก็มาจริงๆอ่ะขับรถมาเอาพ่อมาด้วยเอากล้องเมาให้พ่อนั่งด้วยมันนั่งแบบนี้ไม่เป็น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 ได้สอนเรองอื่นสอนเองอื่นก็สอนได้แต่ไม่เอาจะเอาพุทธธูพุทธธูก็เคยทำมาทำมาเมื่อก่อนนะหลวงพ่อเทียนมาสอนสาสิบปีมาพบหลวงพ่อเทียนโอยก็ตือร้นโอ้อโอก็ง่าสอนไหมก็ง่สอนหลวงพ่อเทียนสอนให้เรารู้เนี่ยมันไปไกล ไปกลตั้งต้นจากนี่ไปต่พุทธเห็นรูปธรรมเห็นนำำามธรรมตะดวกไปเลยเป็นทางเป็นสูตรไปสูตรไปดังที่เราสาเถี่ยประสูตรในอาริมักมีองแปดทางมันเป็นทางาไปอะไรเออ กรรมฐานนีอาจารย์ทรงฉินเป็นกรรมฐานแม่ไก่คอยดูแลพวกเราหนอยลูกอยู่ที่นี่แม่ชีก็เ ฉ, ฉนิมฉลอนผู้ทำอาหารให้เรากินก็มีผู้สร้างกติให้เราอยู่ก็มีแต่นี้ก็เหมือนชจ้ภาพมาจากเชียงรายกําำลังตั้งกติสองหลังให้เราอยู่